ความสุขที่สุดเลยคือความสบายใจทำอะไรก็แล้วแต่หากลงท้ายด้วยความสบายใจตรงนั้นเรามาถูกทางมองต้นเหตุของความสุขได้ออกอ่านเกมชีวิตได้ขาดจะมีความสุขไปทั้งชีวิตความสุขที่สุดเลยคือความสบายใจคนเราจะใช้ชีวิตแค่ไหนก็ตามจะตั้งเป้า ตั้งปรัชญาลึกซึ้งสลับซับซ้อนแค่ไหนถ้าหากไม่มีความสบายใจไม่มีความเป็นปัจจุบันที่รู้สึกเบาตรงนั้นมันไม่มีความสุขคนเราทลาเข้าหาแต่ความสุขที่จับต้องได้ง่ายๆภายนอกคนรักที่กระทบหูกระทบตาความบันเทิงที่เสพได้ด้วยเนื้อตัวบ้านรถเรือการงานสถานที่ท่องเที่ยว แต่โลกนี้ไม่ปล่อยให้คุณสบายใจได้นานนักแล้วก็ไม่มีสถานที่ที่อยู่แล้วเกิดแต่กุศลจิตได้ตลอดความสบายใจและจิตที่เป็นกุศลจึงต้องจุดชนวนขึ้นจากข้างในไม่ใช่ข้างนอกคือต้องตั้งใจสร้างไม่ใช่ปล่อยใจรอพระพุทธศาสนายืนยันว่าความสุขไม่ใช่เกิดจากความบังเอิญไม่ใช่เกิดจากใครบันดาล แต่ว่าเกิดจากการที่เราประพฤติธธ ร, รมประพฤติกรรมอันเป็นกุศลถ้าหากสั่งสมกุศลมากแล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่าจะเป็นเหตุให้เกิดความสุขบุญเป็นเหตุให้เกิดความสุขบาปเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ทำดีได้ดีทันทีตรงที่สบายใจ คนยุคนี้จะมองกันง่ายๆคนทำชั่วทำไมได้ดีลอยหน้าลอยตายังมีความสุขแต่คนทำดีทำไมตอกตอยตกตำ่ำมีความสงสัยกับสิ่งที่เห็นด้วยตาเปล่าง่ายๆแต่จริงๆแล้วพระพุทธเจ้าท่านให้มองที่ใจก่อนถ้าหากเราทำบุญมาจริงๆมันไม่ต้องมีเหตุการณ์อะไรจะมาสนองตอบเราให้มีความสุขมันก็มีความสุขขึ้นมาด้วยใจที่เป็นบุญนั่นละ่ะ จี้ที่ใจเน้นที่ใจเอาความสุขที่ใจก่อนความสบายใจระดับประถมบุญอันเกิดจากการเต็มใจให้อยากให้ก็มีความสุขแล้วลองมองไปที่ใจตัวเองตอนที่อยากให้อะไรใครจริงๆมันมีความสุขขึ้นมาแล้วแล้วถ้าให้สําเร็จยิ่งปลืม้ม ความสบายใจระดับมัธยมและถ้าหากว่าเรารักษาศีลได้ต่อให้ไม่ได้สิ่งที่ต้องการแต่ใจของเรามีความรู้สึกสะอาดมีความรู้สึกเคารพตัวเองได้นี่คือความสุขชนิดหนึ่งความสบายใจระดับปริญญายิ่งที่เราจเจริญสติได้เราเป็นอิสระจากอุปาทานได้ทําจิตเป็นผู้รู้ ผู้ยอมรับความจริงถ้าเราเห็นว่าใครตายเราไม่เศร้าหรอกใจมันเป็นอิสระจากความเศร้าได้สบายใจได้ตลอดชีวิตและถ้าทําบุญได้ครบให้ทานรักษาศีลจเจริญสติกระทั่งตกผลึกถึงจุดหนึ่งชีวิตทั้งชีวิตจะเกิดสุขตลอดเวลามิใช่สุขตอนที่ใครให้ของที่เราต้องการ ไม่ใช่สุขตอนที่เรามีแฟนไม่ใช่สุขตอนที่เราได้บ้านได้รถได้ตำแหน่งแต่เป็นความรู้สึกที่เราเกิดความเข้าใจว่าธรรมะคืออะไรเกิดความรู้สึกว่าทำบุญเป็นเหตุให้ความสุขคือเรื่องจริงถ้าสบายใจได้ตลอดชีวิตไม่ได้ทำผิดคิดร้ายไม่ได้รบกวนจิตใจคนอื่นคุณจะไม่รู้สึกกลัวในโลกก่อนตาย ความสบายใจสําคัญมากตอนอยู่สําคัญที่สุดตอนตาย